เอชเอนเทอร์เทนเมนต์ูมใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่เสรียงที่รัก ว่าให้พอนมนั่นเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วจ้ะพ่ออืมโหทีนะที่อยู่ๆก็เอาใครมาก็ไม่รู้พลอยทํำเองต้องมาเหนื่อยทั้งๆที่ธุระก็ไม่ใช่หยุดพูดอย่างนี้สิพ่อก็หรือไม่จริงล่ะมีจริงเราจ้ะพ่อช่วยผู้ชายคนนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะแล้วก็วิเศษที่สุดแล้วด้วยขนาดนั้นเชียวเหรอจ้าพ่อข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าช่วยมันแล้วเนี่ยมันจะมาแว่งกัดขาดทีหลังหรือเปล่า เขาจะมาแวงกัดพ่อได้ยังไงเล่าก็ไม่รู้สิคนเขาพูดกันว่าคนบางกอกเป็นคนที่ไววใจไม่ค่อยจะได้ไอ้พวกหัวหมอนะ่ะรู้จักไหมฮะหัวหมอเหรอพ่ออืมไม่เข้าใจคำว่าหัวหมอหรือสิทางบพอเข้าใจอยู่บ้างนะจ๊ะเข้าใจก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าถ้าทางเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะเอ็งจะเอาอะไรไปวาดลูกเอ้ยไม่เห็นมันอารวาดเหรอ เคยยอมอ่อนข้อให้ใครสักที่ไหนกันละ่ะถ้าทางเป็นคนบ้าอำนาจซะด้วยนั้นเนี่ยเขาคงจะเป็นเจ้านายนะจ๊ะพ่อเจ้านายนะจ๊ะเอ็งหมายถึงอะไรก็พวกที่ทํางานหลวงยังไงละ่ะพ่อไม่เห็นเหรอในหมู่บ้านเราก็ยังมีพวกเจ้านายที่ทํางานหลวงที่มาสอนพวกเราปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกอะไรต่อมีอะไรนี่นะจ๊ะโอยมันแตกต่างกันราฟ้ากับดินเชวลาศิลาเอ้ยอ้าวแตกต่างกันยังไงจ๊ะพ่อ ก็แตกต่างกันตรงที่ว่าพวกเจ้านายที่ทํางานหลวงนั่นน่ะเขาเป็นคนใจดีด้วยเกินคอยช่วยเหลือชาวแม่สรียงของเราเหมือนพระเจ้าทรงมาช่วยชุบชีวิตชาวแม่เสรียนสมัยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเชียวละเองเอ้ยแล้วไงเจ้าพ่อแล้วไงละ่ะก็แล้วตรงที่พ่อนนุ่มคนนี้ไม่มีอะไรเหมือนเจ้านายพวกนั้นเลยสักนิดน่ะสิผ่อนนุ่มคนนี้เอาแต่อารมณ์ชอบวางอํานาจ สั่งคนนู้นคนนี้ฮนะคิดว่าตัวเองเป็นนายคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเป็นขี้ข่าของเขาสมหมดอย่างนั้นแหละช่างกูเหอะเขาจะทําตัวยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปจับพวกเราแล้วล่ะเฮะอเฮ้อะไรจ้าพ่อจะหลอดกลับไปบ้านได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพลอะเลอาจจะต้องมาตายอยู่บนดอยกลายเป็นผีเฝผาดอยแม่เสลียงไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้พ่อพ่อทำไมพูดอย่างนี้ล่ะจ๊ะ ก็จะให้พูดยังไงอ่ะชีวิตของมันขึ้นอยู่กับเจ้าซูเวยเพียงคนเดียวเท่านั้นน่ะซูเวยอืมไปตามหมอมารักษาเขาเหรอจ๊ะพ่ออืมไปยังไงอะจ๊ะก็วิ่งไปไงล่ะวิ่งไป กิโลนี้นะพ่อให้พี่เขาวิ่งไปอ่ ะ, อะถ้าไมวิ่งไปแล้วจะให้มันทํายังไงล่ะลูกก็ไปกเกวียนยังไงล่ะพ่อโอ้โหคืนเอากเกวียนไปแล้วก็พลุงนี้เที่ยงกว่าจะถึงอําเภอรหรือเปล่าก็ยังใหม่ลูกแต่ถ้าวิ่งเลาะไปตามเส้นทางรัดก็ไม่เท่าไรแล้วไม่เท่าไหร่แต่ว่าอาจจะต้องวิ่งทั้งคืนก็ได้นะไ ม, นะไม่ได้ยังไงพ่อพ่อก็รู้ๆอยู่นะอ ยังไงก็ต้องทำอะไรสักอย่างไม่อย่างงั้นก็ปล่อยให้พนุมนั่นค่อยๆตายไปโดยไม่มีความหวังอะไรเลยเออแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วลูกเอ้ยน่าสงสารเขานะพ่ออืมเฝ้ามันหน่อยนะขาห่วงนอนเมื่อยเหลือเกินขอนอนสักหยิบก่อนจ้ะพ่อ เราวิ่งข้ามเขาไม่รู้กี่รูปตกี่ลูปตามไปทั่วจุดหมายปลายทางก็คือโรงพยาต้องไปตามหมอเพื่อไปรักษาพนหนุ่มคนนั้นโดยเร็วพอหนุ่มคนนั้นจะตายหรือไม่นะต่อให้เราเหนื่อยจนแคบขาดใจตายก็ขอให้ได้ช่วยชีวิตเขาเถอดโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจะขาดใจตายอยู่แล้ว ารับฟังรายการละครวิทยุแม่เซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment The sun is r i s i n If i n t c a r e f o ทุกใจทั้งทั้งที่ใจของเขาประ ก, กันรักอาจเป็นความสวยงามที่หลอกเพียงคนมีฝันและแล้ววันนึ่งกลับพังทลายนั่นคือของฝันจะฝัน หรือคือคำสาคือยาดฝนช่ำเย็นรือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความ ยงคงไม่รู้ไม่เคยทูใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ส่อนซ่ทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิและทำให้ใจตงราวรดทมลา ทุกทุกอย่างไม่เหลือล ชำรร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความรักที่ไหมที่วาะรอยอยิ้มได้คือความรักที่ไหม ยัเช่นไรยองคงไม่รู้มิเคยกูใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่สร้างสร้างทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจ ทลายหมดทุกทุกอย่างไม่เหลือเลยทลายหมดุกทุกอย่าง ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment สุเวรือเปล่ า, าใช่ลุงลุงทำอะไรบนนี้เฮ้ยต อ, อนป่าเป็นปกติ อ, อยู่แล้วเย็นแล้วนะลุงเออคุณยังข้าไม่มีแบ่งเวลาว่าจะขึ้นมาตอนไหนทั้งนั้นแหละีดีชาวเขายัางเราอะเรื่องป่าเรื่องดงเป็นของที่คุ้นเคยอยู่แล้วอืมเองพูดถูกต้องแล้วไอ้สุเวยซัดป่ากับพวกเราชาวดอยนะ่ะคุ้นเคยกันไม่ทำร้ายกันและกันรอกนะเจ้ เออไั้นี่เอ็งจะวิ่งไปไหนวิ่งไปตาม ห, หม อ, หอลุงอ๋อเหรอแล้วตามหมอที่ตลาดในอำเภอโน่นน่ะเหรอจ้ะ้นี่นี่เองวิ่งมาจากบ้านโพธเทาเพื่อจะเข้าไปในอำเภอตาหมอน่ะเหรอใช่จ้ะแม่เอ็งนี่ทราโจริงๆเลยว่ะไม่เหนื่อยมั้งหรือไงฮะโอ้หายใจถ้าไม่ทันอยู่แล้วเออไท น, น่มามาม า, มานั่งพักกันก่อนพักให้หายเหนื่อย แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อไม่ได้หรอเจะลุงอ้าวทำไ ม, ไมละ่ะอุ้ยไม่ทันการอะไรแล้วมีใครที่บ้านจะเป็นจะตายขึ้นมาเ ร, รื่องใช่ลุงฮ่าข้าแกถามเล่นเล่นเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงเหรอฮะใช่มีคนใ<อ>กล้าตายอยู่ที่บ้านพ่อเท่าอ่ะใครวะมีใครไม่สบายเนี่ยเอ๊หรือว่าเป็นตัวของพ่อเท่าเองพ่อเท่าไม่เป็นไรหรอกเพราะแกแข็งแรงอืมถ้าอย่างนั้นใครล่ะเอ๊หรือว่า นางศรีลาลูกสาวพ่เทาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นั่นแหละอา้าวแล้วใครล่ะบ้านพ่อเทาก็ไม่มีใครแล้วนี่นะนอกจากเองพ่อเทาแล้วก็นางศรีลาใช่จ้ะอืมแล้วงั้นใครอ่ะคนบางกอกนะลุงฮะคนบางกอกนะเหรอเฮ้ยคนบางกอกที่ว่าเป็นใครเฮะอยู่บ้านพ่อเทาได้ยังไงเขาโดนปล้นกลางทางนะลุงอีกแล้วเหรอไอ้โจนมันอารวาสอีกแล้วเหรอจ้ะ ไอ้โจมออกละวาดปล้นผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้บ่อยๆฮะอืมคนบังกอกนั่นเป็นอะไรบ้างเขาโดนยิงน่ะตอนนี้สลบไปอะไรนะนี่คู่จริงเหรอจริงเซเจอมาโกหกทำไมเล่าเออแบบนี้ก็ใกล้ตายแล้วสิท่าเนี่ยฮ น่าจะเป็นอย่างนั้นฮะแล้วจะไหวเล้อไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วลุงยังไงก็ต้องไปขอพบหมอก่อนให้รีบไปรักษาเขาอืมแหมเอองเนี่ยช่างมีน้ําใจงามซะเหลือเกินข้าใจลุงอนนี้ น, นี่ดื่มน้ำก่อนนะฉันมีแล้วล่ะน้ำอะ่ะมีก็เดิมสิท่าทางเองนะอง่ะคอแห้งแล้วนะเนี่ยเดือดหมดแล้วอา้าวแล้วพูดทําไ ม, า อ, มอันนี้ น, น, นี่เอากระบอกของข้าไปเลยดื่มกลางทางด้วยอา้าวให้เชื้อลุงจะดื่มอะไรอะ่ะ ข้าไม่ต้องเ อ, เอาล็อกเอ็งเอาไปเถอะขอบใจเจ้าลุงเออเออไม่พักก็รีบไปเถอะนี่โชคดีนะจะไปต่อหนหมลุงนะเอเอฮ้ยน้ำใจงามเหลือเกินไอสุเวอีผู้หญิงหน้าไหนได้เอ็งเป็นผัวแล้วก็วิเศษสุดเลยละ่ะ <laughs> ห้ำดืมอ้าวได้สติแล้วเหรอคุณน่ะขอน้ำหน่อยอก็ได้รอเดี๋ยวนะจะไปเอาน้ำมาให้ดื่มเดี๋ยวนี้แหละอ๋อปวดลระเกินอ่ะหมอยังไม่มาเหรอเนี่ยน้ํามาแล้วขอดื่มหน่อยอเดี๋ยวนะฉันต้องประคองหัวคุณก่อนไม่อย่างนั้นน้าหกหมดอ่ะอึ๊บเอาละฉันจะยื่นขันน้ําให้ดื่มเองนะดื่มช้าๆละ เดสำลักน้ำตายซะ ก, ก่อน <C oughs> อนั่นไงนั่นไงพูดแล้วก็ไม่เชื่อพ อ, พอแล้วพอแล้วอแล้วหมอหมอยังไม่มาเลยไม่ช้านักเล่าพวกแกใหญ่เช่นตายเดี๋ยวบ้านสปารังเคนี้นใช่มะไม่มีใครใหญ่คุณตายหรอกพวกเรานับถือพระเจ้าก็ภาวนาขอให้คุณไม่เป็นอะไรทุกคนหวังดีกับคุณทั้งนั้นนะฉันไม่เชื่อแกหรอกแกมันนังนี่คุณ มันจะมาว่าอะไรฉันมันจะมากเกินไปแล้วนะกูเรื่องจริงนี่นาไม่จริงจริงพวกกเ น, นใจร้ายเผือเผอ พ, พวกแกนี่แหละที่ที่ที่อะไรฮะก็เป็นโจรปล้นทรัพย์สินฉันไปนะสิมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณนะ่ะคุณดูถูกพวกเรามากไปแล้วนะทำไม่จะมาโกหกกันดีกว่านะพวกเราไม่เคยโกหกพระเจ้าจะไม่พอใจมากถ้าลูกของท่านโกหกคนอื่นทําอะไร ก็จะไม่มีวันจเจริญรุ่งเรืองด้วยจิบโกโหกเลยก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้โกหกแต่ฉันไม่เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจแล้วเนี่ยหิวหรือยังละ่ะจะหาข้าวไ้กินโอ้ยไม่โกไม่กินมาหรออย่าเนี้ตายที่นี่นะแล้วชันจะกินข้าวทำไมโถอยไม่จนิีจริงๆเลยนะ